กฎแห่งกรรมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงถึงเหตุการณ์หลายอย่างในชีวิตของพระองค์ว่าเกิดขึ้นจากการกระทาต่างๆทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วของพระองค์มิใช่มีอะไรเป็นของบังเอิญสักอย่างเดียวจากพระประวัติตรัสเล่าในอุปท า, านประสุตันตาปิฎกพระตายปิฎกเล่ม32 พระองค์ได้ตรัสเปิดเผยความชั่วในอดีตชาติของพระองค์เองที่เป็นเหตุให้พระองค์ประสบเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีเช่นหนึ่งในชาติหนึ่งพระองค์เป็นนักเลงชื่อกุนาลีกล่าวตูใส่ความพระปัจเจั ก, กพุทธเจ้าผู้มีนามว่าสุรพิผู้ไม่ประทุตสรายอะไรพระองค์เลยผลของกรรมนั้นทำให้เวียนว่ายในนรกได้รับทุกขเวทนาตลอดกาลนาน ในพระชาติสุดท้ายจึงถูกนางสุนทรีใส่ความคือเมื่อทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนางสุนทรีด้รับสินจ้างจากผู้อื่นแกล้งใส่ความพระองค์ว่าได้เสียกับนางขณะที่กำลังมีข่าวลืออยู่นั้นผู้จ้างคือ น, นักบวชพวกเดรถีได้จ้างคนฆ่านางสุนทรีเพื่อจะให้ความชัดยิ่งขึ้นว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้คนไปฆ่าเพื่อปิดปาก ภายหลังพระราชาใช้นักสืบไปสืบในร้านสุราจึงจับได้ทั้งผู้จ้างและผู้รับจ้างเพราะพวกนักเลงที่รับจ้างนั้นปากอยู่ไม่สุขในที่สุดก็ได้ลงโทษทั้งนักเลงและเดรรถีฐานฆ่าคนตายเรื่องที่สองในชาติหนึ่งพระองค์ได้กล่าวตูใส่ความสาวกของพระพุทธเจ้านามว่า สัพพาพิภูผู้มีนามว่านันทะต้องตกนรกอยู่เป็นเวลานานในชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้ายังถูกนางจินจมามนวิกาใส่ความแกล้งทำเป็นมีคันกับพระองค์โดยเอาไม้มาทาบที่ท้องแล้วเอาผ้าพันให้ดูเป็นมีคันจริงแต่เผอิญไม้หลุดตกลงมาจึงถูกประชาทันยังหนัก เรื่องที่สามในชาติหนึ่งพระองค์ทรงฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์โดยผลักลงซอกเขาเอาศิลาทุ่มในชาติสุดท้ายจึงมาถูกพระเทวทัตเอาศิลาทุ่มแต่เพราะกรรมเบาบางมากจึงไม่ถูกอย่างจังเพียงถูกสะเก็ดเล็กน้อยที่นิ้วพระบาทความจริงเรื่องที่ตรัสเล่าไว้ยังมีอีกมาก ได้เลือกนำแปลไว้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านตรงไปตรงมาที่สุดไม่ใช่จะเล่าแต่คุณความดีของพระองค์เท่านั้นความชั่วที่เคยทรงทำมามีอะไรบ้างก็ทรงเล่าด้วยทั้งนี้ทำให้เราได้ประโยชน์และคติสอนใจทั้งในฝ่ายดีฝ่ายชั่วคนดีอะไรเกิดขึ้นก็อย่าเหลืองจนลืมตัวผลชั่วอะไรเกิดขึ้นก็อย่าพึ่งเสียขวัญขอให้พิจารณาว่า เป็นผลของการกระทําในปัจจุบันหรือไม่ถ้ามองไม่เห็นในปัจจุบันจะได้พิจารณาไปที่อดีตซึ่งเรามองไม่เห็ น, อ, นอาจมีกระเส็นกระสายเหลือมาได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประสบมาแล้วข้อสําคัญขอให้ทําความดีแก้ตัวให้มากที่สุดเท่าที่มีโอกาสจะทําได้อย่าผัดวันประกันพรุง่งหรือรอไว้เมื่อนันเมนีจนในที่สุดไม่ได้ทําความดีอะไร หายเหตุผู้อ่านและบุญที่สะสมได้ทุกวันนั้นไม่จําเป็นต้องใช้เงินก็ได้นะครับบุญที่ใหญ่กว่าการให้ทานก็คือเจตนารักษาศีลแม้บางข้อยังทําไม่ได้ก็ให้สมาทานคือตั้งใจงดเว้นในสิ่งที่ทําได้และบุญอีกด้านหนึ่งที่ถือว่าเป็นบุญเหนือบุญก็คือการเจริญสติการมันดูจิตรู้เห็นจิตตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นกําลังรู้สึกอะไร และเห็นให้ได้ว่าสิ่งที่รู้อยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นกายหรือใจก็ตามล้วนไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่ตัวตนการรักษาศีลและการเจริญภาวนาหรือสติปัฏฐานนั้นถือเป็นบุญที่ใหญ่มากและทำได้ง่ายทำได้ทุกเวลาและมีอ น, นิสงส์เลื่อนผลกรรมร้ายได้ดีมาก บุคคลบางคนอยู่ดีๆแต่มีคนใส่ความถูกหนังสือพิมพ์ช่วยกันรุมด่าอย่างผิดๆเพราะไม่รู้ความจริงเรื่องเช่นนี้พิจารณาตามหลักกรรมแล้วก็ไม่ควรตื่นเต้นตกใจอะไรทั้งผู้ด่าและผู้ถูกด่าจะต้องมีเหตุผลอะไรด้วยกันผู้ถูกดา่าอาจเคยใส่ความคนอื่นเข้ามาในชาติก่อนผู้ด่าในปัจจุบันซึ่งด่าคนส่งสๆไปตามความพอใจนั้น ก็จะเก็บเกี่ยวผลแห่งการด่าของเขาเองโดยที่ผู้ถูกด่าไม่ต้องดิ้นรนแจ้งความหรือด่าตอบภาษิตไทยเราเรียกว่ากงเกวียนกำเกวียนหมายเหตุผู้อ่านแต่ถ้ากรณีการใส่ร้ายและอาจมีผลไปถึงธุรกิจหรือคนที่เกี่ยวข้องการฟ้องร้องเพื่อให้ความจริงกระจ่างนั้นหรือไม่ไปทำร้ายคนอื่นอีก ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและควรทำนะครับถ้ารู้กฎแห่งกรรมอย่างนี้แล้วก็ควรระมัดระวังเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคตให้ดีว่าเราจะไม่สร้างกรรมชั่วขึ้นเพื่ อ, อยังความพินาศล่มจมให้แก่ตัวเราเองที่แล้วมาเราย้อนกลับไปแก้ไม่ได้เราก็อาจแก้ที่ปัจจุบันและอนาคต นายคริสมาธฮัมฟรีนายกพุทธสมาคม London, คลอนดอนกล่าวว่าพระพุทธศาสนาต่างจากศาสนาประเภทเทวานิยมที่ตรงนี้เองคือถือว่าคนเป็นผู้สร้างโชคดีโชคร้ายผลดีผลร้ายให้แก่ตนเองส่วนศาสนาประเภทเทวานิยมอ้างไปที่พระเจ้าเพราะฉะนั้นการสอนให้พึ่งตนให้ช่วยตนให้ประกอบกระทำแต่ความดี โดยอาศัยตนเป็นผู้ทำจึงนับว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษและคุณลักษณะโดยเฉพาะของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง